ม่า mm hmm. mm hmm. ทางธรามะจริงการปฏิบัติไปในตัวก็สงบจิตอยู่ในจิตของตัวมันจะสงบกว่านี้สงบยังไปมันไม่สงบไปอย่างนรมันไปเกี่ยวข้องกับสัญญาเรนั้นอื่นนี่เป็นเรื่องทางธรรมะแต่ฟังถูกต้องจิตของเราได้ความสุขความสบายความสงบ เราทนั้คือการแสดงเราแบด ง, งออกไปจากที่ อ, อื่นแสดงอยู่ในกายในใจเท่านั้นคูอฟังก์อวกายอาใจฟังไม่ส่งไปคิดยิงจริงยังไหม่ความจริงคนผื้มีธรรมะก็หนุนเต็มธรรมะเพราะกอนถาดขันของเรา เขาพูดใช้ือว่าเป็นธรรมะหรือประธรรมหมายถึงก้อนอันนี้ที่เรามองเห็นโดยตานามธรรมหมายถึงสิ่งที่เรามองมาเห็นโดยตาเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมแต่จร่งเหล่านี้ก็มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตัวของเราเทนั้นคือแสดงธรรมะก็แสดงสิ่งเหล่านี้ เอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงให้คุณะดับลับฟังที่เานานะครับสิ่งเหล่านี้ปกติที่เราเกิดมาดีดานันดาในเคยแม่สอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกคั้งอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกูลสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทางในเคยสอน ตัของเราเองเกิดาเพื่อสงใจที่เจริญภายในเกิดนั้นดูในธรรมะแต่ไม่รู้ธรรมะแต่อะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นปิเลตปัญหามันปึงปึงลำบากจะไปตังธรรมะจะไปจะพูดธรรมะต้องคิดว่าเข้าไปในตากในเขาหาคูหาอาจารย์จะตังธรรมะต้องเปิดพยุทยุ ือดูตาำราตำราอ่านือธรรมะคอยจับวัดธรรมะดูตามถ้าไปทดูบกอยู่แต่ฐานที่อื่นเพราะเราเนี่ยโดยที่เจ้าในาสมาความจริงธรรมะก็คือตัวของเราโดยที่พระเจ้าหรืออริยสงฆ์ที่แผ่นด่ายธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นตัวของท่านตามสภาพความเป็นจริงของมัน ก่อนอันนี ination, ison, ah, ้ขาดขันอันน ok ี ah, wie wie wie wie wie ้จ ah. ิตอันนี้มีธรรมะมีกิเลสปัญหาเก่ปนกันอยูแลม่ใอย่างนี้แต่ธรรมะอย่างเดียวอย่างกิเลสตัญหาจิตคนละคนมีอยู่นี้จิตเป็นสติปัญญาวิชาญมุตจิตเป็นทางมั้งิมก็มีอยู่นี้กรณีมีอยู่ที่อื่นอย่างอภิธรรมทำจ่าเอาไว้อภิธรรมก็คือทำยิ่ง ถ้าเป็นหน่วมาแล้วคืออื่นตั้จกสังารุตสังโทก็หมายถึงรูปตขันเรีนนขันนี่แหละรูปตัขันก็หมายถึงรูปหล่างกายเวทนาขันก็คือสุตทุกข์เฉยๆตั้งาขันก็คือความําได้ในรต่างๆสังขารขันคือความปรุงของใจวิญญาณขันคือง เราดูจากหูจากตาที่ไปกระทบรู้เสียงต่างๆรู้ขึ้นอย่างสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนี้เป็นอันนี้หรือคือวิญญาณขันแต่เราที่เจอมาเรื่องเหล่านี้ถ้าอยาเป็นเรื่องที่จะเรียนมาอาจจะทำที่เจอมาทำคือยิ่งยิ่งอย่างไรทำแบบนี้น ยิ่งคือผู้ที่เจอมาตามความเป็นจริงแล้วจะห่ห่งหนึ่งคิดจริงหลึ่งติดข้องหนึงเทิดเค้นหล่งเหง่อหนงหนเรงต่างต่างๆหเราเองเกิดทุกเกิดความมั่นหมายยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ปกติของมัน ขาดขังอันนี้นันไม่มีอะไรที่จะหนาเหลงไหลหรือเถิดเ ท, เทอมขุดเพิงรูปถั่วไปหากไม่มีจิตรเราท่านจะเมืองกันกับรูปที่เราเห็นเป็นที่ไม่มีวิญญาณเป็นตป น, น, นว่าอนไม้ถอนฟืนหรือ ก่อนดินก่อนหินต่างๆมันในเตืออะไรในตาอะไรในไตที่ไหนมันเกิดขึ้นมาก็มีหน้าที่อย่แปลเปลี่ยนและแจกสลายขั้งมันอย่างนั้นไม่มีอะไรจี่จะไรักไปเผิดเพลินไปหลุ่มหลงเราจะหลุ่มหลงกับมันมันก็หลุ่มหลงกับเราแล้วเผิดเพลินถลาอะไรทำมันก็ไหลมาอยู่ทุกการทุกเวลา ความเกี่วความตายตัวนี้ไปตอนนั้นเพื่อที่เพิ่งมาผ่าขันอันนี้จึงมีทางเข้าใจตามจริงๆได้ความจริงมันมีอย่างไรเมื่อใจเรารู้จักชัดเจนก็ไม่เกิดทุกข์เกี่ยเราพบเพราะฝ่าเืนความจริงอยากจะเห็นไปตามใจท้องตัวชอบใจถึงมีกิเลสจำแหาจึรินใจถึง ในมีเงื่อนพอชอบปิดคิดจึงห้ามตั้นสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นอย่นี้แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นเมื่อพิจารณาถากขันต์ส่วนนี้ให้เห็นตามเป็นจริงว่าจึ่งเหล่านี้หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปอย่างนั้นถึงใครจะห้ามตั้งแงสอนขนาดไหนมันก็ไปไม่เป็นไปตามต่าแผนทันจังห่าอนัตตาคือเมื่ อยู่ในการบังคับบัญชาทั้งไขรหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นอยู่การพิจารณาถาดผันการพิจารณาตัวเองเอย่ยพิจารณาตัวเองเข้าใจรูหเห็นเดินไปจกักเรื่องการละโลกถอนโลกการข้ามโลกไม่ต้องไปข่านผีอื่นข้านผีจิตผีใจของตัวเอง ละเองถอนเองโลกอื่นไม่เป็นปัญหาสาคัญเท่ากับโลกใจท้องตัวใจท้องตัวที่ลุ่มหลวงตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญหากรู้จักเรื่องท้องตัวทั่วถึงชัดเจนแล้วเรื่องอื่นถึ่งเป็นรูปกว่าดีนามกว่าดีมันเหมือนกันหมดเนื่อมันเหมือนกันหมดมันก็ไม่มีหลง เราเป็นอย่างไรตัดบุคคลทั่วไปเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบาดยืดเส้นตีล่างตืก็เป็นอย่างนี้อนาคตที่จะไปทางหน้าก็เหมือนกั น, นจะไปลุ่มหลงเพื่อเพลิอนอะไรอีกแต่ปัจจุบันเราเห็นเราเป็นอย่างไรเราทราบอยู่ในใจของเราพาเราไม่ปิดไมหค่อง เราละเราถอนโดยความรู้ความเห็นตามเนจริงของมันนี่คือการปฏิบัติจิตใจให้เขาถึงธรรมเมื่อเขาถึงธรรมใจเป็นธรรมเราอยู่ฝึกอยู่สบายคทำรักษาคุ้มครองไม่เห็นเราตกไปในที่ชั่วความชั่วต่างๆที่เรียกว่าบาปเหว่าผิดศรัท ในเกิดขึ้นในจิดของสนมีแต่จิตสงบมีแต่ความดีเกิดขึ้นเห็นก็นดีได้ยินก็นดีมันมีอะไรที่จะทำให้ใจเสิดทุกข์เพราะใจเป็นธรรมทำรักษาใจที่เจมารอบพั่วไม่มีอะไรที่จะ ลุ่มหลงไม่มีอะไรที่จะจีบข้องไม่มีอะไรที่จะเฉ่งใสคือการพิ่เจนากายใจที่เจนาขาดขันปูิที่ที่เจนาเดียนี้ถ้าพิ่เจนาไปตามรำนองกองคำใจจะรู้เห็นเยือกเย็นสงบสุขถ้าพิ่เจนาตรงกันข้ามคืจะมาไปท้งโลกก็มใจเรื่องอื่นที่จะจีบข้องเต่ามองเกิดทุกข์เหลือร้อน แต่เพราะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องอะไรอื่นจิตที่เห็นผิดจิตผิดตรงผิดจิตผิดจิดข้องในสิ่งที่ในกิรังอย่างเย็นหรือเป็นกิรังอย่างเยอนสิ่งที่เป็นทกหรอเป็นสุขสิ่งที่เน่าที่ม็นที่เปี้ยงปวนหรสวยงามนี่คือที่จะมาตรงข้ามจากหลักของอดท้องธรรม ถาพิจาาเป็นธรามมันเป็นจงอย่างไรพิจารณาลงไปอย่างนั้นใจสืบถือพิจรากละก็ถอนก็เยียบก็เย็นการพิจราจงเป็นเรื่องสาคัญผู้ประพฤตธรรมจะต้องพิจราตายใจองตนจะต้องไปพิจารณาอื่นดูตายดูใจองตนถ้าเพื่อถึง เรื่องกายใจทองตนแล้วเรื่องอื่นถั่วโลกมันหมดพระพุทธเจ้าข้ามโลกดับโลกทั้งสามตามมาโลกวูบไปโลกอรูบไปโลกท่านในไปดับที่อื่นท่าดับที่อื่นสับโลกเกี่ยวไปไปมีขีดพื่นที่ อ, อ, อาศัยท่านดับในพระไทยในดวงใจทั้งท่านโลกทั้งสามมันดินที่โย็นานี้ดับนี้ โลกทั้งสามที่จะมุดมันหมายถึงมันกระดับเองคือดับในจิตในใจของท่านแต่โลกสามของคนอื่นตัดอื่นท่านไม่ได้ตับแล้วแต่สัตเหล่านั้นจะเคลียวมากันดับของท่านดับของตัวเองถ้าหาท่านดับได้ท่านจะดับให้หมดนะฮะสัตว์ในบุคคลเกิดความทุกข์ยากลำบาก ล่มหลงเมียวเมานี่ทนดับไม่ได้คาสอนของท่านวางไว้ต่อเป็นแนวทางที่ให้พวกเราซึ่งเกิดมาสุดท้ายภายหลังได้ศึกษาที่นิพพยานาแสกไสจิตใจท่องเต็มสี่สิ่งล่มหลงต่างๆทางผีพิจเญากับพิญญาธาตุขันธ์อย่างเี่นที่ใบมาแยกแยะออกดูว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ อะไรเป็นคนเป็นสัตว์อะไรเป็นเราเป็นของของเราถามดูสอบดูทุกสิตทุกส่วนตามันว่าเป็นตาไหมว่าเป็นของเราไหมนืวมันว่าเป็นเราไหมจมูกลิ้นมันว่าเป็นเจนเราไหมกายมันว่าเป็นเจนเราไหมแส้งขามีท้าต่างๆมันวามันเป็นเราไหมถามามันดูมันไม่ตอบ มีแต่เราไปรักเขาแต่เขาไม่รักเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรถ้าเป็นไป ต, ตามหน้าที่แต่เราไปหลงไปยึดไปคิดไปจุง้งว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียนธนาก็เหมือนกันถ้าหาเกิดมาเป็นตัดเป็นบุคคลมีชีวิตแล้วเรียนธนานั้นมันจะต้องมีความสุขความทุกความเฉยเฉยนีม่มันมีประจำถาประจำขัน ทีว่ากันทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะมีแต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็มีแต่เราลืมหลวงเรื่องของเวทนาหล่ะเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในตัวของเราเรามีในเวทนาความเข้าใจมั่นหมายคิดจริงอย่างนี้มันเป็นปกติของจิตที่ยังไม่ได้ศึกษาดังไม่ได้ชำรณะ เป็นตั้มเถื่อนแนถ้าหากศึกษาสำราญจริงจังจะรู้จะเข้าใจว่าลูกตัดีเลธนาสัญญาต้องขานยินดานก็ดีอันนี้เป็นขันอันหนึ่งไม่ใช่เรื่องของจิตจิตไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แต่ให้เห็นให้เข้าใจโดยตัวองตัวเองอย่าไปจําไปหมาย อยากทำพูดอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นแต่เราที่เจรมาเองจะเข้าใจชัดเจนประจักษ์ว่าสิ่เหล่านี้หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นผู้ไปรู้ไปเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้รู้ผู้เข้าใจความกลัวตายกลุ้มกัน ความเกลียดมันหน่ตายตามตายสู่ตายมันเหนื่อยเกลยอะไรตายถืเราจะมุดหม่งไม้ก็คือการหมดลมหายใจธาตทันอันนี้แหละเผื่อมันตายมันตายแล้วจะไปขึ้นตาช้าไปสังไปเผามันเหนื่อเพื่ออะไรทึ่นลงน้ำเดินไป่ไมในมือยื่นหนี้นีเกืีอสู่ตายมันเหนื่กลอะไรแต่ผู้เกลยมันเห่ยตายถ้ามันตายันน่มีโอกาสที่จะ ได้เกิดี่จะเป็นสัตว์เปนมังมดเป็นเถพายุเถิดิดาอินทร์หรือนิพพานเป็นไปไหนได้ถ้ามันตายนี่มันในตายูกกลัวแต่ผูกตายมันใ่กลัวเราไม่ถือพิจาราแน่นอนก็เลยกลัวกันขี้ไหนมีป่าช้าของจิตขี้ฝังขื้เผาของจิตไม่เคยมี ถามามันตายโดยตามถาตามขันมันหนึ่งมีเกิดอีกมันจะมีเชื่อของศัตของมนมุษย์มาจากที่ไหนความเกิดก็คือเรื่องของจิตที่ยังมีกรรมมีกิเลสมีปัญหามีอุปาทานยังหนื่ายทาสาสางให้สะอาดให้หมดจดเหมือนกันกับคืช ที่เรายังได้ทำให้สุกมาดูเขามาดูต้มมาดู ม, ấu, ม, m, ม, มึนี่ยงเราไปห่างเลยประานที่ใด้ม่ก็งอกขึ้นเกิดขึ้นตกลงไปในที่สูงก็งอกขึ้นในขี่สูงตกลงขีดในขี่ตา่าก็งอกขึ้นในขี่ต่ําเพื่อขีดนีอย่างเป็นอย่างนั้นชั้นใดจิตใจของพวกเราท่านมันไม่ตา มันจึงมีการเกิดอีกเกิดในที่ต่ำๆสูงๆตามผลของกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นไม่เคยตายมาแต่ไหนแต่อะไรเมื่อมันบริสุทธิ์หมดจากอย่างข้างมันมันก็ไม่ตายอีกแต่มันไม่เกิดมันไม่ตายถ้าตายจะมีพาสิาทธและวางทําไมายหรือมีพานังจะระังสุขขงัง ให้ตั้งใจสิ่งที <học> ่เป็นพิษเป็นไทยสิ่งที่เป็นเชื่อให้เกิดนี่เรื่องปัญหาให้เกิดทุกเกิดแติเกิดพบต่างๆใจเลื่องท้องจิตที่บริสุทธิ์จริงจังมันไม่ตายผู้ปฏิบัติเห็นได้ทราบได้เข้าใจเองมีการปฏิบัติทำไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นที่เจรนาที่อื่น พิยนาดูตัวท้องตัวทั่วถึงทั้งโลกพิยนาเห็นไหมมันลงไปมันหลงอะไรมันปิดอะไรมันกลัวอะไรมันสำคัญมันหมายอะไรเมื่อมันไม่ตายจะได้กลัวทําไมกินที่ตายมันก็ตายไปตามหน้าที่ของมันอะไรเป็นผีนอกจากความสาคัญมันหมาย ของกิงจของใจเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นผีเป็นสางความคล้องแขนคองใจเท่านั้นไปมั่นหมายว่าผีว่าบุคคลความพริงสิ่งที่น่นากลัว ส, สิ่งโลกเขกลัวกันก็คื อ, ค อ, คอสิ่งที่มีตัวมีตนเช่นคนสัตว์น่ากลัวจริงจริจัง จ, ง จ, ง จ, งจงสิ่งหล่ น, นพอมันตีมันฆ่ามัาานดุบันดา มันทำลายร่างกายได้เคลื่อนที่มันมีตัวตนต่างๆเราอย่าไปเคลื่มันเพรามันทําอะไรเราไม่ได้พยายามที่จมมะมาทำนะภายในใจอย่าให้ใจคิดอย่าให้ใจติดใจข้องอย่าให้ใจตึงในสิ่งภายนอกคอยแวบออกไปมีสติเแี่ยสอนตัวหล่อใจ ไปในทางผิดในเรื่ไปในทางผิดถูกควบคุมเข้ามาพี่เจนาใายไหยทําความสงบให้ได้ถ้าสงบอยู่พี่เจนาอยู่ไ ม, ม่ลืมเหลงสันดาที่เกิดขึ้นจอิงมาแ๋้วมันจะไปเพื่ออะไรความจริงมันเป็นอย่างไรเข้าใจรื้อแจ้งอย่างนั้น เนี่คือการพิเจนาสัเรื่องหลอกีวงคือกิเลสปัญหาอารมณ์ัญญาต่างๆพเจนาภายในกายใจท้องตัวจิตเผ่องหมดหาเราไม่ลุ่มหลงตัวของเราแล้วกรมีอะไราลุ่มหลงถจะเห็นพเจนาเข้ามาภายในเจนา ข้าพเจ้านาขันเป็นพิจารณาอธิธรรมที่จะทําจิตของตนให้ยิ่งในลื่มหลงในมัวเมาในติดห้องทุกอย่างมันมีเส้นบูลภายในตัวไม่ว่าฝายเชื่อฝ่ายดีมันมีเส้นบูนทั้งนั้นแต่เราจะแยกแยะพิณิเจามาเอาความชื่ว ให้มีไปรักษาความดีเอาไว้เพื่อจะเป็นความสุขความสบายนั้นมันอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาอาศัยความเขียนในช่วงเวลามันจะเป็นไปเองธรมดามนุษย์อยู่ทุกชนเผื่อไปก็เหมือนกับเผื่กับมันซึ่งยามนี้ต้นไม่เด็ดเผา รถของมันเบื่อเมาในหน้าึินใครไปทางเข้าวเป็นกอยเซ็นมันเผือกอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นไคยเสียถาดแก่ขั้งท้องตัวนี่คือคนไปทางบิดๆในทางให้สุกเสีก่อนแต่พอเราไปเผาไปต้มรถที่เป็นพิษเป็นไทย มันหมดไปเลวัดทีันอรอที่เป็นประโยชน์จะถากขันก็เลยไปหามาจากที่อื่นมันอยู่ในนั้นจะทานถ้าเราก็ะดดเป็นที่เป็นภัเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้รับทานเช่อีฉันใดเรื่องกายเรื่องใจของเราก็ทำเอาเดียวกันมันเหมือนเผืกนั้นที่ยังเมตุนหลืเผา เรามาพักผ่อนภาวนาสำลั า, าสาังเกตุก็คือมาแผดเผามาเอาตะตะกคือสติปัญญาที่จะามาเผาสิ่งที่เป็นพิศเป็นไทยเป็นกิเลดปัญหาออกจากใจท้องตัวห้ใจหมดความชั่วความเสียที่เป็นพิษเป็นไทยและความสงบเย็นในตัวใจหามาจากที่ไหนเมื่อพิศไทย เหวี่ยนนั้นมันหมดไปความสงบเย็นมันก็เกิดขึ้นเหมือ น, นกันกับเถื่อนนันที่ต้นถูกแล้วพิษไทยคือมันมีต่อธาตุต่อขันมันดับไปหมดไปเหลือตังแต่รสชาติที่อรสอร่อยเท่านั้นใจของท่านผู้บริสุทธิ์ใจของท่านาทีนถ่ถูกปะปะแผดเผา ยิ่งเดืดร้อหาไปหมดแล้วก็ทำองอนเดียวกันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะคิดจะนึกจะพูดจะทำอะไรไม่มีอะไรที่จะทำให้ขุนเนื้อใส่หองไม่มีอะไรจะสงสัยวัดทำไมจิตจึงเป็นอย่างนี้แต่ศพพบลูกเสียงต่างๆจิตรนไหวเอ็นเอียงไป ต, ตามเรื่องที่พบที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังหรนะือไ สาดดีนจิตที่บริสุทธิ์ของตนไม่มีอะไรที่จะตังวนอีกจะละจะบาเพ็ญหน่อยมีพะทำถึงที่คือมันสุกเป็นที่แล้วเหมือนกันกับเกิดมันหรือสุดผลที่ทสุกแล้วจะไปขิ้งไปวางที่ไหนไม่มีเกิดอีกเชื่อใจได้นี่คือจิตใจ สงบจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมแต่จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยความผักเพียงพยัยาาสติปัญญาที่มิจเจมาภายในสอบสืบขนชิดเพื่อแ จ, จ้ไขสิ่งที่ใจติดข้องหรู้เห็นตามเป็นจริงเข้ามาทุกคน ต่ต้องเคยไปสบพบมาอยู่จิตใจถีว่าอุ่นจิตใจไม่สงบเดืยดร้อนเวียนวายติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าไมีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางเดินข้องจิตที่จะมาสิงเหล่านี้ตามเป็นจีงข้องมันเป็นธรรมะ คือความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นเห็นกระจัดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นความบริสุทธเป็นอย่างนี้ไม่มีทางช่องใสยอยู่กับโลกแต่ในจิตไม่โลกเยือกเย็นเป็นสุขนี่คือผู้ผประ ฏ, ป ฏ, ป ฏ, ปฏปิบัติสุดที่นี้ที่เจรณาธรามโดยทุกสิ่งทุกอย่าง ขีตาเห็นหูได้ยินเมื่อจิตเป็นธรรมก็เป็นธรรมไปหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นโลกห์ทำให้จิตทําให้ใจว่ายุ่นลุ่มหลวงเพราะจิตส่วนใหญ่เป็นธรรมไปแล้วเหมือนกันกับแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยไหลลงสู่มหาสหมุทรเช่นไปหมดจะมาจากคิดใดทางใดจะใสจากคุณจะ จิตสนิทขนาดไหนเมืม่อไหลระเบไปสือ่อนใหญ่คือทะเลเซน น, น่านเชนด้วยกันจิตใจของเราแข็งกว่าธรรมะนั้นถ้าจิตใจเป็นจิตเหลือปัญหาอวิชาวปาทานถึงธรรมะทีนะ่พระพุทธเจ้าจแสดงไว้จะเป็นของกินแค่ไหนมันต่เป็นจิตเหลือเพราะจิตของเราเป็นจิตเหลือถ้าหา จิตของเราเป็นธรรมไปเห็นอะไรทั่วไปมันจึงเป็นธรรมไปหมดข้อสำคัญมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นยิ่งที่จะมาจิจธรรมจิจทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาและทราบว่ามีจิตแต่ไม่เคยเห็นจิตจิตเป็นอย่างไรตัวตนของมันเป็นนามธรรมไม่สามารถคือจะหยิบยกให้คนอื่นดูได้ แต่กความดีว่ามีในตัวของเราอะไรเล่าที่จะเข้าไปเห็นจิตนอกจากตัญญาเช่งเจนมามาทำเหมือนกันละเอียดเหมือนกันเข้าไปเห็นไปจากชัดเจนเหมือ น, นตาเนื้อเห็นวัตถุเมื่ออย่างนั้นจะไม่รับรองไม่เข้าใจว่าความบริสุทธิ์ยิมุดมีพระ ไม่เห็นมีทำเห็นโดยปัญญาของท่านเมื่อจิตสงบท่านก็เคยรู้จักเมื่อจิตละเอียดท่านก็เคยรู้จักเคยจนเคยเห็นมาก่อนเมื่อาำบริสุทธิ์เป็นมีมุตพียงจังท่านก็รู้จักอีกไม่มีอะไรโกรกิดําบังจะต้องรู้ต้องเข้าใจถึงเนี่ยมีใครรับรองท่านกทราบดี จะทำอากาศยานอย่างโลกเขาก็ทำได้แต่สิ่งไหล่นั้นมันจะเป็นไปเดี๋ยวไหมถ้าฝูดเป็นผีเหินไทยในไม่มีทางแสงใสและใจที่บริสุทธิ์จะเป็นโลกอีกนี่คืออาณาสงของการแต่เพื่อปฏิบัติเมืย่ยเป็นอย่างนั้น สั่งจึงแ บ, บสุขะโตอยู่ตวสุขะโตไปสุขะโตมันมีทุกข์เราทั้งหลายยังไม่จนอย่างนั้นจึงพากันยึดเรือเ่องความไขยที่นิพิจเจยนะอยากใจาราเวลาเหตุเป็นห น, นัเป็นโมฆะพยายามรักษาพยายามติดตามพยายามแก้ไข ดูพายในอย่าดูนอกดูอยู่เรื่อยๆจ้องมองอยเรื่อยๆใจจะผ่องจใจใสใจจะสงบอยู่แล้วสงออกไปนอกส่งออกไปทรายก็เลยมีรังอิ่มบงังพอเหมือ น, นกันกับอาหารเราส่งออกนอกปากไม่ทอดไปในปากในท้องของเราจะมีมากขนาดไห น, นมันก็ในอิม่มไง ถ้าเราส่งคนมาในป่าทั้งเราส่งคนมาภายในมันจะมีวันอยูม่มันพอหรือการพิ่โยนาตัวนู้นกันถ้าเราพี่โยนาภายในดูกายดูใจทั้งตนพิ่โยนาตามอาจตามธรรมถือพระพุทธเจ้าทรงแนะนําั่งสอนจะที่โยนาให้เป็นสมธาธิหายใจสงบก็ที่โยนาได้กสงบได้ จะพิจารณาเป็นยี่ปัญนาให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆก็พิจารณาได้เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติอย่างไรถ้าผู้ไปเจ้าปฏิบัติทานไปแล้วหากหามากักผลหนีคนที่เกิดสุดท้าท้ายหลังไม่มีโอกาส ท, ที่จะประสมพบเห็น ส, สิ่งธรรมชาติ ปัญญาวิชาริมุตมาเป็นอย่างนั้นท่านกรณิพานไปแล้วสาวกประพฤติปฏิบัติยังวิเห็นมักเห็นนับไม่ได้คืออาจารย์ทำไมปัจจุบันคือท่านต่างหน้าต่างตาบำเพ็ญภาวนาลาจิเลสท่านก็เห็นอนยิ่งสงกรนิพานอยู่ที่ไหนจะได้ถามใครถาเห็นไปถามดูว่าคือไหนเห็นคนเห็นแล้วไหนถาม พ้เห <processor. S 2> ็นอยู่จะไปถามทาไมเหตย่องสงสัยองใจทายเจนเป็นหน่เห็นภายในนันเป็นยุ่งของใจสงสัยังเหตุเจนไมเลื่อยอไปพอเห็นความสงบของใจปล่อยวางละทอนกิเลสเป็นคณิกาอุปจระอัปปนาสตานเพียงขันสมาธิที่จิตสงบลังงับดับอารมณ์สัญญาได้ ก็ภาคภัยราคเข้าใจแต่มักผลยังนี้อยู่เราทําขนาดนี้ยังเห็นความสุขความสบายอธิษฐานอย่างผู้ที่ทำประพฤปฏิบัติท่านต้องเห็นต้องเป็นท่านไม่เห็นไม่เป็นทํานจะอยู่ทําไมจะปฏิบัติทํามในเสียเวลาให้ลาบากทึ่งจะหักนี่ท่านต้องเห็นต้องเป็นท่านต้องมีความสุข ตามสบายของท่านจนทันดูตาทุกยากลำบากอาหารการกอบฉันเค่องต่างๆที่อยู่ที่อาศัยในหรือลานหน้ดูนมน้าดูแต่เหุใดท่านจึงยูได้ท่านจึงเป็นสุขก็เพราะใจของท่านมาดยอยู่กับ เรื Ƣ, nó, Said, ่องอานิพพานนอกท่านอูก anyway, ับเรื elle, ่องของธรรมที่นั้นสงบเยือกเย็นที่เจ้ามาภายในสะดวกสบายอาหารข้องใจเรื่องในถือเป็นเรื่องสําคัญเท่าอาหารข่องใจมีน้อยถึงผิวต่างหน้าต่างๆาประเภทปฏิบัติมันสะดวกสบายมันมีอะไรวุ่นวายก่อเกลื่ ถึงจะเพิ่มยากลำบากเส่วนของใจแต่คุณค่าสาระของใจมันได้ยาจากที่อย่างนั้นท่านก็อยู่ไปยื่นผู้ประพื่อปฏิบัติได้ก็มีความสุขความประเสริฐในเหงื่อในคิดในจิตในความกัะเหงื่อเหนอกๆเลยเป็นสุข พะยากระดินท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนตอนเป็นกษัตริย์โลกเปนมนุษยทั่วไปในว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันตอนเป็นกษัตริย์คนเราท่านที่มีคิวเ ห, หเนนเตุปัญหาเป็นที่ยอมชมชอบว่ามียศสูงสุดเป็นเทศของมนุษย์เป็นผิดบาปถนา ของคนทั่วไปที <overl ain> ่มีใจติดข้องในโลกอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอืเลียบขาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นแต่เมื่อท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ทราบดีความสุขความสบายความเป็นมาของกษัตริย์แต่ทําไมยินดีเป็นใจในความเป็นอยู่เช่นนั้นออกไปบื่อกระเพื่อมกระตือ หมดภาระหน้าที่ในการละการบำเพ็ญขางใจมีความสุขไปเสดหรือเสดสิ่งไหนเคยเห็นเคยเจอมาก่อนขันเต้นหน้าไปนอนไปพักไปอาศัยที่ไหนขันเลยเป็นราจแบบสุขหนาสุขหนาะพากูี่ชนคนหนาไปเห็นเท่าก็เรนทำ เด่างเราไปฟ้องพระเจ้าว่าพจ๋เราพยายาบินคงจะคิดเห็นอารมณ์ก่อนเราตอนเป็นกษัตว์มีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่าไปนัง่งอยู่ที่ใดตามโถมไม้ทรายเขาก็วนั่งตื่นมาจะอาวุธสุกหนอสุกหนอคงจะคิดถึงอารมณ์เก่าอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าป้าแจ๋เรียกเข้าไปถาม อย่างนั้นจรงหรือเป็นวิทางอย่างนั้นจริงหรือท่านจะรับรองทาไมท่านเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนตากับผมเป็นการักร่ำบาปทุกอย่างในารคอบครอรักษาไข่ฟ้าประชาชนรักษาสมบัติของคนบินจิตจึงในบริษัทบริกาณ ในตามที่จะเหตุเพราะเป็นสุขเถื่อนน่ามีความลำบากลำคาในตารแผ่นดินนอกจากนั้นยังเกรงกลัวข่าสุดสัตรูจากประเทศต่างๆจะมาแย่งชิงราชบัลักของตัวไม่มีความสุขความสบางแต่เวล า, า, ออาที่ข่าพระองค์มาบวชปฏพบัติบัติหยุดใจแบบรู้เห็น ในทํำด้วยในตามเป็นจริงวะอยู่เล่นหมาก่อตามอยู่ชาวเขาก่อตามอยู่ที่ไหนก่อตามหยุดของข่าวพาระอง์เป็นสุดข่าวพาระองค์จึงเด็นเกาะสุดหน่อสุด ห, อดหอนอไม่ใช่ข่าวพาระองค์คิดถึงอจีตาองค์คืออารมณ์ของอดีตนี่พยายามจยึนต่อพระพุทธเจ้าเทนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใจของท่านค้อบริสุทอยู่สถานสีใดท่านมีความสุข ในตอนไปหาอะไรเพิ่มเติมให้มันสุกมันสบายตัวมันเองถ้าหากมันถึงขีดถึงขั้นของมันเหมือนกันกับผลไม้เช่นทุเรียนเมื่อมันสุกเต็มที่ในตอนไปหามันตามที่ไหนมาเพิ่มมาใส่มันหวานมันหวานของมันมันหมุ่งกว่เหมือนกันแม้นเผากว่าเหมือนกันเมื่อมัน แต่บนผิ่มันมันเองไม่ต้องไปหามันมาที่อื่นเนื้อจิตของ เ, าเราแข็กงกว่าธรรเดียวกันเมื่อมันถึงผิวของมันความสุขความสงบไม่ต้องไปเหยียดหามันเกิดขึ้นเป็นขึ้นเห็นขึ้นจากการกระทําของตนเหตุจงเป็นเรื่างสำคัญที่จะยังผลไในให้เราตั้งใจพยายามรักษาภาวนา ลาขี้เลความสุขความสบายความสงบเย็นเย็นนั่นจะเกิดขึ้นพอเราหมดความขวายเรื่องขี่เหล็กปัญหามนะาแข็เผาเรามี่แต่สังวาสาสางมันออกไปมันจบไปมันหมดไปได้ไม่เหลือวิสยัยถ้าเหลือวิสัยไม่มีใครที่จะบัเคับปฏิบัติวิเห็นเป็นมขึ้น นี่ใจะจเต็มหรือในที่เหลืปัญหาทั่วหน้ากันนี่คือประเภทปฏิแบบัติถังละได้ถอนได้ถ้ามีความสุขได้เพราะถังละถังถอนจึงเหล่านั้ น, นอย่างพยายามกันอย่าไปอ่างการอ่างเวลาอย่าไปหาที่อื่นธรรมะหาดูที่ตายผิ่ใจของตน ที่เรนะภายในหนาเข้าใจเท่าเราจะสงบแไปคิดตึงยงหนอกเท่าไรใจก็ยิ้มยิ้มแต่ันเกี่ยวเกาะข้งจิตในสิ่งภายนอกเหมือนเป็นม้ถเกาะต้นอื่นมันติดเป็นอื่นถึงเราตัดขาดลงไปมันกลับเหียง ในลงทื้นดินเพราะมันติดมันข้องคืไหมามันติดมันข้องเราไปตัดออกเสียแล้วก็ตัดต้นพวกมันมันก็พังลงมาเองในต่อไปดึงมันกดพังฐานมันขาดในวิธีเกาะพยายามที่เยนาภายในในนี้อะไรที่จะเป็นสุขกว่าการภาวนาละชีเล ถ้าพุทธเจ้าหรือสาวกท่านเคยเห็นเคยเป็นมาแล้วความสุขของโลกเป็นอย่างไรคือโลกสิทธิกันท่านก็เคยไปสืบพบมาความสุขของการละกิเลสปัญหาเป็นอย่างไรท่านจะเห็นอีกเมื่อท่านเห็นทั้งสองฝ่ายอะไรมันดีลิเศษกว่ากันท่านจะถืออันนั้น ท่านจริงในนี้นำขั้มสอนพวกเราจากการละที่เหนื่ละความเชื่อําเพนจิตให้สงบมีความสุขความไปเสดยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปพวกเราเนี่ยอยากจะมีความสุขความสงบอยา่างท่านก็อย่าไปมัวเมาก่าวันคิดตึงเรื่องนอกพยายามที่จะมาภ า, า, า, ายในในมีอะไรในโลกที่จะ นาเดินดันดนให้ตัวกอเราได้นักได้ผลนอกจากเป็นองเป็นเจ้ปริบัติปดแส่ทหมดในโลกคนเามาาดทาของจิตเรานอกจากเราไปจิตไปข่องไปเย็ดไปถือหากพโรมาดูตามอดตามทำมันมมีอะไรที่นาสงสัยมันมีอะไรเป็นของใหม่มันมี หมดมานับกี่แสนกี่ล้านกี่กัปัจจุบันมันก็เหมือนกันจริงที่เขาเห็นเขาเป็ี่ยนขึ้นโม่ใหม่อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นข้อใหม่เอาข้อเก่าทั้นั้นมาทํากันแต่เขาเห็นใหม่เขาบอกถือว่าเป็นข้งใหม่ความจริงเนข้อเก่าแต่คนทําขึ้นได้ใหม่ต่าเป็นข้อใหม่ อย่ยวัเรื่องผลท่องใจแต่ทำงงเยวกันพระพุทธเจ้าจึงว่าทำเกิดมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่มีใครตาหน้าคจะนำทำนั้นมาปตะพฤ่อแจบัดบให้จิต ใ, ใจท่องตนได้รั บ, าบมารับผลต่อหดดอน่วพระพุทธเจ้าอุบดักขึ้นแตเพฤ่อแต่บัิรู้จรงถ้าเกียง ม, มันก็มีอยู่ อริยสัจทั้งสี่ทุกนันมีไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าจะมาเกิดก็ยังมีอยู่ทุกของจริงพระพุทธเจ้าแต่ชีวิแล้วทุกนันก็ยังมีอยู่อร่วิมิธานแล้วทุกก็ยังอะไรมันบาตรนันหมดไปสมุทัยสิ่งที่จะให้ใจเกิดทุกนั่นก็มีนั่นกัน ในใจแบบพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติไปแล้วสมมติไทยมันบับไปนะมันบัดแต่ในพระไทยต้องท่านแต่ส่วนเราคือยังในปฏิบัติมันยังมีอยู่การมป า, ราปัญหาเพราะว่าปัญหายิพรือว่าปัญหาความอยากพยายามในการหยุดเสียงกลินรถสัมผัสต่างๆมันมีนะหยุ ก, การมาปัญหา ทำไมมันทุกข์ก่อทุกข์ก่อใครใจจิตเจ็ใจกเพราะความอยากที่ไหนไมได้ตามใาเทนมันก็เกิดทุกข์ได้มอยากจะ้มาคงเส้นคงวาไม่หมดเป็นงแตามันก็เกิดทุกข์ิงแล้วไม่าเถนะเส้นความแก่ความชอบไปในอวัยวะ เป็นบางสิ่งบางอย่างผมอยากจะให้มันเดกมันตลอดเวลาตาจะอจะให้มันสว่างสวายแต่มันไม่เต็นไปตามตากนานไม่ได้อยากจะให้มันเกิดมาแกเตห้องเต้าอยาว่ายึดเพาะปัญหาหาสิ่งที่ไม่มีหาตลอดวันตายมันก็ไเจอเมื่อมันไม่เจอไม่ไ้มันก็เกิดทุกข์ึ้นนี่คือสมุทัย คือจะเป็นทุกข์ของใจทำเหละใชนพิ่เจนะตามเป็นจริงข้างนันเขาเห็นตามเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีมีพิษมีภัยอะไรมันเป็นจริงอย่างไรแต่เห็นอย่างนั้นมีโรคเนี่ยเราพี่เจนะจิตใจเห็นแจ้งกระจัดไม่มีอะไรผ่องใสไม่มีอะไร ที่จะขางติดในจิตในใจเข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างดับความสำคัญมั่นหมายได้ไม่มีอะไรจะเป็นพี่เป็นภัยในจิตในใจทั้งตนไม่โกรธถึงจังหวะดับทุกได้สนิทมันดับอย่างไรเพื่อจะพิสปจนิบับ เม่เห็นทุกข์ตามเป็นจริงเหตุผลมุทยได้นีโลภความดับทุกข้องใจเป็นอย่างไรในตบได้ถามใครจะท้าด้วยตัวเองเพราะตัวเห็นตัวเป็นมันมีอยู่ที่ไหนก็ ม, นมีอยู่ในกายในใจของเราทุกผล ม, มไทย ม, มีอยู่ที่ใดนักไม่โรภมันก็น ม, นมีอยู่ที่นั้น